ทุกช่านที่เคารพคะเมื่อเราได้ปฏิบัติทำกันผ่านไปก็มาถึงช่วงเวลาของการที่ท่านจะได้ฟังธรรมในส่วนนี้นนะคะท่านที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติแล้วสามารถที่จะนั่งปฏิบัติฟังธรรมไปด้วยพร้อมๆกันไปเลยก็ได้ค่ะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์คึกคลิปโสธิพโลซึ่งจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ ก, กันในช่วงนี้ก่อนค่ะ ได้ไปภาคใต้างานสามจังหวัดชายแดนได้ไปพบโรงเรียนวิถีพุทธเรียกว่าเป็นชุมชนชาวพุทธซึ่งจัดได้ว่าเป็นชนกลุ่ม น, น้อย mm hmm. ของพื้นที่นั้นเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องมุสลิมนะคะแต่ได้เห็นความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธองค์ควบคู่กับ mm hmm. การเรียนหนังสือที่โรงเรียน วัดหน้าท้ำอยู่ที่จังหวัดยะลาพอไปเห็นแล้วก็อยากให้กำลังใจเพราะว่าได้ถามว่าคุณครูได้เคยสอนโดยใช้พุทธวจนะมาอ่านให้เด็กๆฟังไหมคุณครูก็บอกไม่เคยนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าท่าอาจารย์เคยมีโอกาสได้ไปแสดงธรรมให้กับคุณครูผู้นี้บางส่วนแต่ถามเขาเขาบอกว่ายังไม่เคยฟังท่าอาจารย์เือนกัน เลยจะมาขออนุญาตท่านอาจารย์ไม่ใช่ขอหนังสือส่งไปทหอ้อ๋อได้ได้ในกรณีอย่างเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าท่านจะแนะนำครูบาจารย์ทั้งหลายในการที่จะสอนอพุทธศาสนาโดยใช้หนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์จะแนะนําอย่างไรดีคะเอ่อก็จะต้องแนะนําว่า <c oughs> ครูเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือนี้ซะก่อนครับนะ คือรูจะต้องอ่านหนังสือนี้ซึ่งเป็นคำพระศัสดาจากนั้นเนี่ยตัวเองจะค่อยๆทำความเข้าใจในตรงนี้หรือว่าถ้าคิดว่ายังทำความเข้าใจไม่ได้ไม่เป็นไรอ่านแล้วอ่านให้นักเรียนฟังแค่นั้นจากการอ่านทั้งอ่านเองทั้งอ่านให้นักเรียนฟังนานไปนานไปจะค่อยๆซึมซับเริ่มทรงจาได้เริ่มเอาไปข้ควรพิจรารณา ในสิ่งเหล่านี้ในถ้อยคําของพระศาสดายัางน้อยเราจะไม่แปลกหูในคําพระศาสดาจะเกิดความคุ้นเคยเคยชินกับสำนวนคําพูดของพระศาสดาของเราจากนั้นแล้วความคุ้นเคยเคยชินจนเป็นความทรงจำได้จะเกิดการเข้าไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นตัวธรรมะจะทนต่อการเพ่งพิสูจนิตละลึกถึง ข้ออัดข้อทำได้มันก็จะให้ควรพิณาเห็นจริงต่างนั้นะนะเจอสภาพทั้งหลายในชีวิตประจําวันที่มีความไม่เที่ยงะนะบทแห่งธรรมก็จะระลึกขึ้นมาได้เออพระเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายในโลกนั้ไม่เที่ยงเจอซินามิ ก, ก็ระลึกขึ้นได้เออพระเจ้าบอกว่าโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเห็นไหมข้ออัดข้อทำจะขึ้นมาเพ่งพิสูจน์ความจริงอยู่ตลอดเวลาค่ะท่าอาจารย์คะยังกับ <c oughs> โรงเรียนในระดับประถมเนี่ยเด็กก็เข้าใจได้อย่างนั้นหรือไงเข้าใจได้อย่างเนี้ยน้องน้ําบุญอายุเจ็ดขวบท่องพระสูตรในหนังสือประถมธรรมมาให้ฟังทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมมีทั้งเข้าใจมีทั้งไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนน้องน้ําบุญก็จะถามว่าพระสูตรนี้หมายถึงอะไรค ะ, คะใช่ไหมอาตมาก็จะอธิบายไป น, นัอธิบายยังไม่ได้ ครูอธิบายยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าครูเข้าใจแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ทั้งครูทั้งนักเรียนค่อยๆศึกษาไปพร้อมๆกันในพุทธวัจนะดิฉันว่าประโยคน์นี่สําคัญนะคะครูกับนักเรียนศึกษารอบกันไปเลยใช่ค่ท่านผู้ชมครับสําหรับหนังสือเล่ม น, นี้เป็นหนังสือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมคือทั้งหมดในนี้เนี่ยจะเป็นพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าท่านให้ชื่อชุดปฐมธรรม ท, ทำไมจึงให้ชื่อเช่นนี้นะะก็จัดว่าเป็นพระสูตรที่นับว่าค่อนข้างง่ายแล้วนในในบรรดาสิบเล่มของเราเนี่ยน ะ, ะ, อ, ะอันนี้ก็ถือว่าง่ายง่ายที่สุดแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้ใหม่ในการศึกษาแล้วก็จะคัดพระสูตรที่มีความยาวไม่มากสามารถอ่านให้นักเรียนฟังได้ทุกวัน อาจจะใช้เวลาประมาณ 2- อสานาทีเท่านั้นในการอ่านให้ฟังนั้นเราสละกเวลาวันหนึ่งเพียงแค่สองสามนาทีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยินได้ฟังคําศาสทาของตัวเองแม้แต่ตัวเองก็จะได้ยินไปด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการสาธยายทำตัวเองก็จะบรรลุทำได้คนฟังก็จะบรรลุทำได้นะเพราะว่าจะเกิดการคุ้นเคยการทรงจําและมีการให้ ค, ควรอย่างนี้ ค, คือ ถ้ามีคําแนะนําเป็นพิเศษว่าต้องเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งไปเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4 อ, อย่างนั้นไหมคะหรือว่าเปิดตรงไหนก็ได้ธรรตรงไหนก็ได้น ะ, ะนะตรงนี้เราก็จะจัดกลุ่มเป็นเป็นธรรมะสาหรับชีวิตทั่วๆไปธรรมะสาหรับการสอบของนักเรียนนะการใช้ชีวิตนะหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ของ ค, ครูอาจารย์ต่อศิษย์ศิษย์ต่อครูอาจารย์เป็น พุทธวจนะที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในทางโลกว่าจะใช้ชีวิตทางโลกให้ดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เลิศให้ประเสริฐได้อย่างไรไล่เลียงไปจนกระทั่งว่าเมื่อคนคนนึงต้องการการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายจะทำตัวอย่างไรก็จะมีมีหนังสือเล่ม น, นี้ทั้งหมดค่ะมสมมุติว่าโรงเรียนมี6ชั้นป .1 ถึงป .6 นี่ไปแบ่งเป็นให้เหมาะสาหรับแต่ละปเลยดีคะ แล้วก็ปอแรกจะอ่านอยู่แค่นั้นไม่ไม่จาเป็นทุกทุกคนควรจะได้รับรู้ตรงนี้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานไม่ยากเกินไปไม่ไม่ยากเกินไปน้องน้ำมุ้นที่ข่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเองนะคะอายุเจ็ดขวบแล้วก็อ่านหนังสือนี่แตกฉานมากอย่างน่าทึ่งเพราะว่าคำพระศาสดาเนี่ยก็มีคำที่ยากเวลาที่ดิฉันชมรายการเปิดธรรมค่ำวันเสาร์เนี่ย จะเห็นน้องน้ำวุ้นเป็นแขกประจำทุกเสาเลยนะคะแล้วก็บางครั้งนี้เราทึ่งมากอุ๊ยคำนี้น้ำวุ้นอ่านได้ยังไงค uh ่ะ huh. ถ้าอาจารย์ทั้งหลายที่ชมรายการนี้อยู่แล้วท่านมีอินเทอร์เน็ตถ้าลองเข้าไปสิคะที่เว็บไซต์ w w w w a t n a p a p c o m w a t n a p a p c o m นะคะวัดนซึ่งหมายถึงวัดนาป่าพมนั่นเองแล้วก็ถ้าเข้าวันเสาร์ ตอนค่ําๆนะคะสักประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะมีการเริ่มรายการเปิดธรรมค่าวันเสาร์เป็นการถ่ายทอดสดเลยนะคะจะเห็นทั้งท่านอาจารย์ทั้งคณะสมที่มาช่วยกันเปิดธรรมทั้งหลายกับพระสงฆ์ที่มาร่วมฟังธรรมด้วยกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มา ป, ปฏิบูรณช้ากับท่านอาจารย์ใช่ไหมคะคือมีการถ่ายทอดกันในเรื่องของพุทโธจนะและแน่นอนที่สุดค่ะถ้าน้องน้ําบุลเขาไม่มีภารกิจสําคัญ เขามาแน่นอนมานทั้งครอบครัวเลยนะคะท่านจะเห็นความมหัศา์เพราะว่าน้องน้ำมุ้นเก่งกว่าดิฉันแน่นอนค่ะนเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้อาจารย์ว่าอาจารย์พูดให้น้องน้องๆที่โรงเรียนฟังได้ใช่ใช่ซึ่งถึงจะไม่เข้าใจไม่เป็นลายทรงจาไปก่อนแล้สอนสมเนเด็กๆก็เหมือนกันจาไปก่อนก็เหมือนกับเราสวดมนต์ใช่ ต้องสุดคูณจําไปก่อนได้ไม่ได้จําไปจํา ไ, ไปจากนั้นจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆวันดีคืนดีเอามาให้ควรพินาเดี๋ยวก็ค่อยๆเข้าใจไปเองพูดถึงไหนๆก็เป็นโรงเรียนสมมุติถ้าเป็นโรงเรียนวิถีพูดหมายความว่ามีความมุ่งมั่นมากในการที่จะใช้วิถีของพุทธะในการศึกษาบูรณาการในวิช า, าต่างๆได้เลยนะคะใช่เดี๋ยวฉันไล่ถามทีละวิชาละกันนะคะท่านอาจารย์วิชาภาษาไทยในบูรณาการไดแน่นอน ให้ไปคัดไทยอ่านไทยแบบน้องลำบุญใช่ค่ะให้ไปเขียนในความอะไรก็ได้ที่อ้างอิงถึงพุณวจนะวิชาวิทยาศาสตร์เอาเรื่องไหนใส่ไปได้ไหมคะก็เรื่องเกี่ยวกับการการเกิดของของสั์ในครันก็ได้ว่ามีอยู่ในนี้อ่ามีอยู่ในนี้ว่าอชีวิตระบบชีวิตเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรอย่างเนี้ยวิชาสังคมนะอาจารย์ก็เกี่ยวกับการ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะว่ า, เ, าเราจะใช้จ่ายทรัพย์ยังไงถึงจะเกิดประโยชน์เราควรจะมีหน้าที่ยังไงต่อสังคมนะวิชาบัญ ช, ช, ญชีระบบการใช้จ่ายระบบเศรษฐกิจใช่ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่า ใ, ให้รายจ่ายท่วมรายรับอย่างนเนี้ยก็จะมีตัดบอกเอาไว้วิชาภูมิศาสตร์เรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีไหมคะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะ เกี่ยวกับว่าถ้ า, าพระราชาไม่มีธรรมอย่างนี้เดี๋ยวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเสียหายงนั้นทุกคนต้องมีธรรมะนะจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของธรรมชาติอย่างนี้ใช่อเอาไปอ่ฐฐานายใช้ได้ทุกผู้ศึก้าใช่ก็<ะ><อ>เท่ากับว่าสามารถที่จะให้เรียนรู้ในลักษณะสนุกสนานบบรณาณการไม่ให้เบื่อด้วยใช่แต่การอ่านให้ฟังนี่น่าจะทาทุกวัน ควรจะทําทุกวันใช่อ่านให้ทั้งโรงเรียนฟังเนี่ยนะยืนเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็อ่านคําศาสดาต่อเลยทุกวันทุกวันให้เป็นกฎระเบียบเลยใช่ไหมเราเนี่ยบางทีเสียเวลาฟังครูพูดเนี่ยเป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงได้ซึ่งบางทีไม่ค่อยมีสาระอะไรแล้วครูก็เไม่รู้วันนี้จะเอาอะไรมาพูดใช่ไหมก็เอาคําศาสดาในหละมาพูดทุกวันก่อนที่จะพูดความเห็นตัวเองอะไรออกไปปุ๊บพูดคําศาสดาก่อน ใช่ว่าพระศาสดาตัดว่าอย่างนี้นนเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วก็อ่านพระสูตรให้ฟังเลย ค, คือขณะที่ผ่านมาดิฉันก็กราบเรียนถามทางท่านผู้อนวยการโรงเรียนนะคะบอกว่าสําฤทธิผลวัดได้อย่างไรกับการที่โรงเรียนได้นำเอาคำสอนของพระาศาสดาเข้ามาสอนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเด็กที่เนี่ยมีคุณสมบัติสำคัญมากเลยคือซื่อสัตย์ น่าสนใจมากนะคะอาจารย์จะบอกว่าเด็กเนี่ยมีความซื่อสัตย์แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีการเขาเรกสำรวจความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อเด็กด้วยกันว่ามีใครที่เขาไม่ชอบปรากฏว่าเด็กส่วนมากเลยนะคะจะลงมติไปที่เด็กคนเดียวกันทั้งหมดว่าไม่ชอบเด็กคนนี้แต่อาจารย์บอกว่าผลของการสํารวจเนี่ยไม่ได้เปิดเผยเพื่อที่จะไม่ให้เสียหายกับเด็กคนที่ถูก เพื่อนไม่ชอบและดิฉันก็ถามท่านว่าไม่ชอบเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นคนพูดคําหยาบพูดผิดสมมตวจาร อ, อย่างนี้เป็นต้นดีนะคะถ้าหากว่าได้พุทธวจนะไปไม่ต้องกล้าๆกลัวๆว่าญาติไปหรือเปล่าแล้วท่านจะได้เห็นความมหาสัจมีที่อื่นเ่านาไปใช้บ้างไหมคะท่านอาจารย์ในลักษณะที่อาจารย์บอตอนนี้ก็ อ, กอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรก็ก็นําไป โรงเรียนที่แม่ห้องสอนโรงเรียนชื่ออะไรอาตมา ก, ก็จำไม่ได้เจ้าของโรงเรียนก็นํามาเอาไปอ่านให้นักเรียนในโรงเรียนฟังทุกวันนักเรียนในโรงเรียนก็เป็นพันคนเหมือนกันแล้วมีการส่งกันบ้านท่าจา่าไหมคะว่าพอไปอ่านแล้วผลเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็ยังไม่ได้รับ ก, การติดต่อมาแต่ก็บอกเขาเขาทำอยู่เรื่อยๆอเป็นประจำค่ะแต่ในส่วนตัวเองเนี่ย ถามว่าทําอย่างไรกับพุทธวจนะในลักษณะของการอ่านด้วยการฟังด้วยในะสําหรับดิฉันน่าจะฟังซีดีอ <า S 2> ต้องลกลัเรียนค่ะอาจรมาว่าครูต้องมีศรัทธาในพระศาสดาฝรันะถ้าคนเนี่ยได้ยินได้ฟังคําศาสนาเนี่ยนะดีที่สุดถ้าตัวคุณเนี่ยไม่มีศรัทธาแนละ้วคุณจะไม่ไม่อยากอ่านให้ใครฟังแต่ถ้าคุณมีศรัทธาในพระเจ้าแล้วว่าไอ้คําพระเจ้าเนี่ยมันประกอบด้วยปฏิหาร มันสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้มันสามารถสกิดใจคนได้นั่นแหละคุณจะอยากอ่านคำพระสัสดาให้เขาฟังแต่เป็นเพราะว่าอันดับแรกคือเราไม่เคยศึกษาคําพระศาสดาเราเลยไม่เกิดความมั่นใจไม่เกิดศรัทธาในคําศัสดาของเราเองไม่กล้าที่จะเอาคําศัสดาเราไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ใช่ไมัมนั้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนั้นการที่เรากราบไหว้โดยที่เรา ไม่ยังไม่มีศรัทธาเลยศรัทธาไม่แน่นน่ะคนะนั่นคือการไม่ศรัทธานในคําสอนเนี่ยอืไม่มั่นใจมีคำถามเล็กๆคำถามว่า อ, อย่างคาว่าขุมทรัพย์จากพระโอษร์เนี่ยขุมทรัพย์คําว่าขุมทรัทรทรพย์ทรัพย์ตรงนั้ น, นมันคืออะไรอืก็คือทรัพย์ทางปัญญานี่เองทรัพย์ทางปัญญาใช่ที่มีคอยคนที่มีคนคอยชี้โทษคอยคนคอยกล่าวคําขนาบนะเราอยู่เรื่อยๆนะ ผู้เจ้าบอกนั่นแหละคือผู้ชี้กลุ่มซักนั่นแหละเขากำลังทำให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาใช่ไหมเราจะได้รู้จักแก้ไขตนเองนะซึ่งผู้เจ้าเนี่ยให้พระเนี่ยทำกันอยู่ตลอดบางภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญแล้วด้วยการว่ากล่าวกันตักเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติเห็นนะแล้วยังอนุญาตให้วันหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยเปิดให้ว่ากล่าวกันได้ หลังจากออกพรรษาวันออกพรรษานะเป็นวันที่ให้งดการสวดปฏิโมกข์แล้วก็ให้ทํำปรานากันพระทุกองค์จะต้องพูดว่าหากความประพฤติบกพร่องใดๆของข้าพเจ้าปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรนณา ว, ว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วจะแก้ไขต่อไปอช่วยญาติไ้พระผู้อื่นนะว่ากล่าวได้ใช่ใไม่จํากัดพรรษาเลยเปิดหมด พระอันสาอ่อนพระสาแก้วทั้งวันวันเหิ่กันโดยที่ไม่ไม่กวดกันนะและถ้าตัวเองเห็นจริงอย่างนั้นก็จะแก้ไขต่อไปค่ะนี่คือความสำคัญของพุทธวจนะอีกอย่างหนึ่งที่ยนเลกถามว่าเป็นขุมทรัพย์เลยนะคะทีนี้ดิฉันก็พอดีมาเปิดบทพยัญชนะอันนี้ที่บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จากัดการเวลาเนี่ย อันนี้เป็นมหาสจายัยรของถ้อยคำของพระพุทธองค์ถูกไหมคะซึ่งท่านทั้งหลายโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในได้ทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็จะทำให้เราน่าจะภูมิใจที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลย <c oughs> ค่ะนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นแต่ถ้าอาจารย์คะที่ฉันอยากจะให้ท่าอาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ จะไมีความรู้สึกว่าที่ท่านอาจารย์และดิฉันกําลังพยายามจะบอกให้ท่านทั้งหลายที่อาจจะคิดว่าเด็กไม่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อว่าเหมาะเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเพราะการเกิดเป็นเหตุให้พบกัความทุกข์เนี่ยนะคะดิฉันอ่านแล้วมีความรู้สึกก็เป็นวิชาวิาทยาศาสตร์นี้ท่านพูดแล้วก็น่าสนใจมากลองฟังดูสักนิดหนึ่งนะคะตรงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอนแรกท่านบอกว่าการปฏิสนธิของสัตว์ในคั์ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมของสิ่งสามอย่าง ในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายัง <im Question. S 1> ไม่ผ<ๆ>่านการมีระดูคันทัพพะที่สัตว์จะเข้าไปปฏิสนธิในคันนั้นก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันมารดาก็ผ่านการมีระดูด้วยคันทัพพะก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในคัรย่อมสาเร็จได้ เพราะการประชุมกันของสิ่งสามอย่างด้วยอาการอย่างนี้อันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องถึงเรื่องอะไรนะคะคันทับพระก้าวเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะด้วยไหคะนักวิทยาศาสตร์อาจจะยังไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้ <c oughs> นะแต่ตรงนี้ก็คือตัววิญ ญ, ญาณขันที่เข้าไปตั้งอาศัยใน นามรูปตรงนี้นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะจะทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่คนจริงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยก็จะทําให้เด็กได้เห็นว่าเห็นไหมเราเกิดมาเนี่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ร่วมกันในตอนเกิดก่อนจะเกิดคุณแม่เราผ่านการมีร้ดูใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นมีสิ่งพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์คิดไม่ถึงก็คือที่ท่าอาจารย์บอกคันคามพัมนะคะไปตั้อยู่นี่ก็เป็นความพิเศษซึ่งอาจารย์จะต้องอธิบาย ต, ต่อไปในนี้พระพุทธองค์เนี่ยความจริงอาจารย์อาจจะไม่ต้ออธิบายก็ได้เพราะว่าพระพุทธองค์ได้พูดชัดว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์มีความทุกข์ได้ด้วยอะไรอย่างไรเป็นต้นงั้นเดี๋ยวจาะขออนุ ญ, ญาตจัดส่งไปให้ถ้าอาจารย์เขาพูดอย่างนี้อาจจะมีโรงเรียนอื่นเขาอยากได้เลยค่ะก็ได้ขอมาได้เลยจัดส่งมีจํากัดไหมคะว่าต้องสามเล่มแรกเท่านั้นาตามโรงเรียนแรกไม่มีจํำกัน <laughs> ไม่มีจํากัดนะคะก็ให้ส่งมาที่วัฒ น, นาป่าพงลําลูกกาคลองสิบปทุมธานีที่อยู่เดี๋ยวเราจะาให้ท่านได้ดูผ่านหน้าจอระ บ, บุมาให้ชัดเจนนะคะว่าความประสงค์ของท่านขอมาเพื่อจะเอาไปใช้ในโรงเรียนไหนอย่างไรนะคะก็จะได้เกิดประโยชน์ทั้งกับคนที่เขามีศรัทธาร่วมสร้างหนังสือนี้ที่จะได้มีความรู้สึกชื่นใจว่าหนังสือได้มีคนนำเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์กับ ทางครูบาอาจารย์ตลอดจนนักเรียนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้อา่านคุทวจนะนี้ด้วยนะคะพี่สงสัยคือได้ฟังอริศรรยศัสตร์จากพระโอษฐ์ตอนหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าเด็กเด็กทารกที่ยังไม่รู้จกักที่ยังพูดไม่ได้หรือว่าที่แบบยังเดินไม่ได้เนี่ยที่แบบนอนอยู่เฉยๆเนี่ยท่านถามว่าไอ้เด็กนั้น ยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นบาปหรือว่าเป็นแบบอกุศลเพราะฉะนั้นเด็กตรงนั้นก็ก็ก็ก็ยังไม่มีอกุสนแบบเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือพระพุทธเจ้าบอกว่ามันยังไม่ใช่ใช่ไหมคะ mm hmm. ที่ว่า mm hmm. ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กบริสุทธิ์แต่ว่า mm hmm. อะไรมันเกิดแล้วอคุศนเนี่ยมันเกิดในจิตได้แล้วออฮคือเกิด huh, ม uh ันแล้วมันก็มีวิชาแล้วคมัน ถ้าคนบอกแค่ว่าเออเนี่ยเขาอไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรผิดอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้ทํำเลยบอกอย่างนี้เด็กอ่อนก็นอนง่ายก็บริสุทธิ์สิใช่ไหมเพราะก็แค่อึดอัดลำธานอัรแค่นั้นใช่ไ่มซช่จริงแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นั้นถ้าเกิดมาแล้วคือคุณมีอวิชาติดมาแล้วตั้งแต่แรกหลงขันห้าละยึดติดละแค่ด้าน ลูประท่ามันยังไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองรอความสมบูรณ์ของอายนะในด้านรูกประท่าแต่จิตเนี่ยมันมีอวิชาพร้อมแล้วเราฉนั้นคนจะมาบอกว่าเอ๊ะเด็กอ่อนเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้หรอเพราะว่าจิตมันไม่ได้บริสุทมันมีอวิชาเข้จะบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์อยู่ที่อวิชาในจิตใช่ใช่ก็แปลว่าถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ของเด็กนี่พูดคนละความหมายอันนี้ก็พูดความหมายแบบทั่วๆไป ธรรมดาว่าเด็กเขาเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทางพระพุทธศาสนาอไม่บริสุทธิ์เพราะพอเกิดมาปุ๊บมาพร้อมๆอมกับวิชาอลไรนะครับมาตั้งแต่อยู่ในคันเลยหรือเปล่าคะท่านอาจารมาตั้งแต่วิญญาณขันแล้วยิบวิญญาณเป็นเราแล้ววิญญาณก้าวลงสู่คันก็เป็นตั้งแต่วิญญาณแล้วไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วิญญาณมีอาวิชามาตั้งแต่ยิบวิญญาณขันเป็นเรานะไม่มีทางที่เกิดมาแล้วจะมีจะจะมีวิชาเลย ไม่มีเป็นไปไม่ได้ต้องจากได้ยินได้ฟังทำเท่านั้นใช่ใช่แล้การเกิดนําไปสู่ชลาโมนะถ้าเกิดมีชลาโมนะต้องมีผู้สร้างการเกิดแสดงว่ายังไม่มีวิชาเพราะผู้มีวิชาแล้วจะไม่สร้างการเกิดอถึงแม้ว่าเกิดเป็นรูปประคันนี่ก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างของวิชาความรู้ทั่วๆไปบนโลกใบนี้อกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นครับ เท่าที่ท่าอาจารย์ก็จัดได้ว่าคงเป็นคนที่ศึกษาพุทธวจนะมามากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยนะคะท่านได้พบไหมคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสครอบคลุมศาสตร์ในโลกสักกี่ศาสตร์มีศาสตร์ใดที่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเกี่ยวข้องไว้เลยมีไหมคะอาจารมาว่าไม่มีเพราะพระศาสดาเนี่ยรู้รู้แมก้กระทั่งว่าความคิดของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีกี่แบบ จะเป็นศาสตร์ใดก็ตามมนุษย์จะคิดไม่เกินนี้ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องที่ฐิหคือความเห็น62แบบของมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์จะคิดไม่เกินนี้เพราะนัะ้นจะเป็นศาสตรใดก็ตามมันจะวนอยู่ในหลักความเห็นอย่างนี้62แบบเนี่ยก็เท่ากับเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านศึกษาพุทธธรรมเถอดท่านได้ประโยชน์ทั้งนั้น อาจารย์คะที่ฉันคิดมากไปหรือเปล่าคะกับการที่เวลาไปเห็นการกรอบเกลาเด็กๆในขณะที่เราเนี่ยเห็นโลกมาพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคนเนี่ยเกิดมาบางทีคนเราสร้างปัญหาเพราะไม่รู้เพราะความไม่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนะคะเรามีเกิดแล้วก็มีตายแล้วแถมมีกรรมมีกต่าหากก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าจะไปให้เด็กเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะสอนเรื่องความจริงของชีวิตว่าเกิดแล้วตายแน่ ในแต่ละช่วงวัยเป็นยังไงจําเป็นไหะดิฉันคิดมากไปหรือเปล่าครัอบรอาจารย์ก็มันเป็นสัจจคของโลกนะมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาด้วยซ้ําที่พุทธเจ้าบอกนะเรื่องอริยสัจสีความจริงของโลกนะนั้นจะไม่เรียกว่าพุทศาสนาหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าวิชาซึ่งกล่าวความจริงของโลกเอาไว้นะค้นพบโดยเจ้าชายสิทธรรรัตถะนะอย่างเนี้ย ใช่ไหมเพราะฉะ น, นั้นเราก็บอกไปเลยแล้วก็อธิบายเรื่องปฏิจจ์เป็นศาสต ร, ร์หนึ่งวิชาหนึ่งไปเลยและพอศึกษาไปมากๆมันจะเห็นความจริงตรงนี้ทั้งหมดว่าจริงตามนั้นตรวจได้ด้วยตนเองเป็นปัจตังเพราะฉะ น, นั้นเดี๋ยวก็จะย้อนกลับเองเฮ้ยคนคนนี้เป็นใครอ๋อเป็นอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าอาจารย์คะทีนี้อย่างกับ <c oughs> ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องรู้เป็นอย่างแรกเลย <c oughs> คือรู้อริยศรรยัสตร์ใ ช, ใช่ไหมคะทีนี้ จริงๆเขาก็สอนกันนะคะอริยสัจสิที่ฉันเองก็เรียนมาจากเด็กแต่เราก็รู้ว่าอริยสัจคือทุกคือสมุทัยทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยอะไรก็ว่าไปแบบที่เรารู้กันพื้นๆแต่ความรู้เท่านั้นในวันนั้นเนี่ยเดีฉันไม่เข้าใจถึงขนาดว่าชีวิตมันมีเท่านี้จริงๆนะคะก็เลยอยากกลาวเรียนถามท่านว่าถ้ามาถึงวันนี้เนี่ย ที่ดิฉันกลาวเรียนถามท่านอยู่ว่าควรจะให้ความรู้เด็กเขารู้จักโลกรู้จักชีวิตรู้จักคันลองของชีวิตตามธรรมเขาจึงควรรู้ละเอียดมากกว่านั้นไหมคะหมายถึงว่าควรเข้าใจทุกอย่างไรเข้าใจเหตุแห่งทุกอย่างไรเข้าใจการดับต้องเข้าใจหรือ ย, ยังเข้าใจอย่างไรเข้าใจมัดอย่างไรนะอเด็กๆเกนี่ยคะ่ะก็ทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนตรงนี้มันอยู่ที่ครูผู้สอนว่าครูผู้สอนในเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนนะ นันถ้าครูผู้สอนยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งก็จะถ่ายทอดได้ให่ลึกซึ้งได้ไม่ลึกซึ้งเป็นธรรมดาแต่เมื่อครูผู้สอนยังไม่เข้าใจลึกซึ้งจําเป็นไหมเป็นอุปสรรคไหมไม่ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะพระศ า, ศาสดาให้พึ่งตนและพึ่งธรรมเพราะมีเนื้อธรรมะถูกต้องแล้วและพึ่งตนเองให้คนคนนั้นเข้าไปศึกษาธรรมะตรงนี้ทุกวั น, ท, วนทุกวันสม่ําเสมอจะเข้าใจได้เอง ไม่ต้องไปกังวลที่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าคุณศาสนาเนีก็เกินไปจะเป็นอะไรนักหนาแต่ดิฉันคิดอย่างนี้ไงะว่ามนุษย์เราเนี่ยพอมีชีวิตในแต่ละวันวันวันไม่ได้มองไปไกลไม่มีความรู้อันกว้างขวางที่จะจินตนาการไปก็เลยทําให้คนเนี่ยบางทีไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวเองเท่านั้นสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะมีคนมีความทุกข์เพราะเพราะมีคนเป็นคน นำให้เขาด้วยนอกจากจความทุกที่เจ้าตัวก่อขึ้นเองมันน่าจะช่วยทำให้สังคมดีขึ้นค่ะก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแล้วอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องปฏิจจ ա เนี่ยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าปฏิจจจะสอนจะนำมาไปใช้ในลักษณะอย่างนี้ค่ะ วันนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังอาจจะอยากรู้ละปฏิจจามันคืออะไรอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยบอกให้ จ, จำปเป็นยังไงเอาไปท่องซะ ก, ก่อนค่ะนะว่าปฏิจจานเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะท่องให้ได้ก่อนจําให้ได้ค่ะเราท่องคาถาโน้นคาถานี้นั่งท่องมาเป็นชั่วโมงทําไมท่องได้ค่ะใช่ไมเพ้เอเผลอไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําแต่ท่องได้จําได้ย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาได้ปฏิจจสูรวรสารซาสดาปัญญัติคะไม่เห็นมีใครท่องกันใช่ไหม นั้นไปท่องซะก่อนจําให้ได้ย้อนหน้าย้อนหลังได้ด้วยยิ่งดีใช่ไหมจากนั้น ค, ค่อยๆมาใกล้ควรน้องน้ําบุนอายุเจ็ดขวบท่องปฏิจจาได้จากนั้นน้องน้ําบุนก็จะมาถามว่าชาติคืออะไรคะ่ะภ พ, พ <บ S 2> คือค อ, อะไรใช่ไหมแก่ตายอะไรเป็นยังไงเราก็อธิบายไปอธิบายไปอย่างนี้ค่ะปฏิจจะถ้าดิฉันจะบอกท่านผู้ชมหรือครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือเหตุแห่งการเกิดทุกข์กับเหตุแห่งการสิ้นทุกข์ใช่ไหมคะ นะคะก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่อ uh huh. สอดคล้องกันแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อื่นปฏิจจารที่เป็นเรื่องของเราโดยแ<อ>ท้ททเ<ร>ทเอป็นเรื่องของเราโดยแท้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกเราไม่เห็นต้องพูดปริศนาถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกเราไม่เห็นแต่พอเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไร uh huh. ทีนี้เราคิดตามโยมเล็กได้เพล อ, อะไรคะในปฏิจจาระ คือมีอยู่วันหนึ่งคือไอตัวปฏิจจะเนี่ยก็ฟังแล้วเข้าใจมานานมากไม่หลายปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้เข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็ปันนั้นจิตฟุ้งซ่านมากเลยเออก็เลยหยิบปฏิจจะมาใคร่ายควรตั้งแต่ต้นจนจบไล่ไปไล่กลับไล่ไปไล่กลับเออปรากฏว่าจิตมันนิ่งนิ่งมากแล้วก็เออรู้สึกดื่มดันในตัวปฏิจจะมากๆเลยตั้งแต่เริ่มอาวิชาเกิดสังขารทั้งหลายแล้วสังขาร เกิดวิญญาณเกิดนามลูกไปแบบไล่ไปนะีไล่จบทั้งที่ตัวไอตัวปฏิจจาเนี่ยก็เข้าใจก็อ่านมาตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบเข้าใจลึกซึ้งก็เลยไปนั่งพิจารณาในสมาธิเออปรากฏว่าได้เข้าใจมันลึกซึ้งมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอาการทางจิตที่ที่ตัวเราจริงๆค่ะหมายความว่าที่คุณยมเล็กได้พูดไปเนี่ยนะคะคือหมายความถึง ทุกอย่างน่มันมีเหตุก่อนถึงจะมีผลตามมาแล้วก็ตามมาเรื่อยๆท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมคะเพื่อให้ท่านทางบ้านเข้าใจได้เลยอ๋อเช่นว่าเออเรามีความอยากเนี่ยที่จะไปซื้อเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเออเพราะอะไรมีความอยากจึงมีอย่างเนี้ยเสื้อผ้ามีต้องหลายตัวในร้านค้าเราไม่หยิบแต่เราไปหยิบตัวเนี้ย อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการที่เราจะเข้าไปหยิบตัวนี้ใช่ไ่านั้นถ้าเรามาสํารวจตัวเราเอง <c oughs> ก็จะเห็นว่าเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้ไม่ได้พอใจเสื้อตัวอื่นอาจจะพอใจด้วยยี่ห้อด้วยสีด้วยเนื้อผ้าด้วยอะไรก็ตามนะความพอใจต้องมาก่อนนะความอยากจึงตามมานะเพรา ะ, ะนั้นทําไมเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้อยากหยิบเสื้อตัวนี้อยากได้เสื้อตัวนี้นะเพราะเราพอใจ ความอยากจึงมีมาแล้วก่อนที่เราจะพอใจเสื้อตัวนี้อะไรเกิดก่อนนั่นก็คือตาเราต้องไปเห็นภสษานั่นเองหรือหูได้ยินเสียงเอ่เพลงมากระทบแล้วเราพอใจเราก็เกิดความอยากได้ซีดีแผ่นนี้มาฟังภาษาทั้งหูต้องเกิดนะความพอใจเกิดตามมาและความอยากเกิดตามมาทุกอายตนะ นะนั่นคือผัสสะผัสสะในอายตนะนั้นทำให้เกิดความพอใจและทำให้เกิดความอยากตามขึ้นมานี่คือสัจจกความจริงของมนุษย์ทั้งโลกซึ่งไม่มีใครเคยสังเกตแต่พระศาสดาสังเกตสังเกตธรรมชาติเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็บัญญัติออกมาเป็นลาดับว่าผัสสะ ต, ต้องเกิดก่อนความพอใจจะตามมาความอยากจะตามมาแล้วเกิดความยึด ไล่ามาเรื่อยๆตามสายปฏิจจ์ถึงบอกต้องท่องให้ได้ก่อนจากนั้นเอามาให้กวนจะเห็นจริงตามนั้นตลอดเลย อ, นะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ ะ, ะเป็นตัวอย่างของการที่ฉันอยากจะให้ท่านได้เห็นว่าอาจจะมีหัวข้อชื่อค่อนข้างเล็กยากนะแต่เมื่อได้ยกตัวอย่างในการอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวันใช่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะนําสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกเรื่องมาใช้กับปฏิจจ์ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะได้ คือนปฏิจจ ա กรมาใช้กับเรื่องทุกเรื่องนะคะท่านอาจารย์คะและอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้ไหมคะได้เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบของธรรมชาติในโลกมีเหตุผลความเป็นมาเป็นไปอย่างไรลําดับการเกิดขึ้นอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังล้วนเป็นหลักเหตุหลักผลทั้งหมดซึ่งพิสูจน์ได้และพิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรเลยเป็นมนุษย์ไ้ยถ้าเป็นมนุษย์คุณจะมีอาการอย่างนี้ทั้ ไป่ต้องไปเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเราต้องไปซื้อหลอดทดลองไปซื้อโนนซื้อนี่บางทีต้องไปเอากบมานะคะแล้วก็มากิดเสียข้อหนึ่งสักหน่อยหนึ่งชมแหละกบเป็นต้นค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนที่ดิฉันอยากจะพยายามให้กําลังใจแล้วก็อยากจะให้ท่านไม่พลาดโอกาสอันดีของการที่จะได้นําพุทธวจนะนะคะคำสอนของพระศาสดาซึ่งเป็นทรัพย์มรดกที่ล้ําค่ามากที่สุดแล้วบนโลกใบนี้นำเอาไปใช้แล้วก็นํามาไปมอบให้ตั้งแต่ ผู้ที่อยู่ในวัยเด็กเรื่อยไปจนกระทั่นถึงวัยใดก็ได้ถ้าท่านยังมีลมหายใจยังมีชีวิตนะคะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งนั้นไม่มียุเว้นมีไหมคะท่านคะคนที่ใช้ไม่ได้ไม่ใชไม่มีใช่ไห ม, มะคะใช้ได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลจริงจริงท<ๆ>่าอาจารย์คะในวันนี้เรนจะขออนุญาตให้ครูบาอาจารย์หรือท่านทั้งหลายได้รู้กระบวนการในการที่จะเข้าไปเรียนรู้ถึงลําดับของการที่จะ ที่จะเข้าไปศึกษาธรรมะนะคะค่ะซึ่งอันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องการตามรู้ซึ้นความจริงสัจจานุโพธโุค่อนข้างยาวนิดนะคะที่เรจะอ่านโดยเร็วว่าพาระรัตวาชเนี่ยได้กล่าวถามกับพระพุทธองค์ว่าถ้าแต่พระโคโดมผู้เจริญการตามรู้ซึ้นความจริงมีได้ด้วยการกระทําเพียงไรบุคคลชื่อว่าตามรู้สึ้นความจริงด้วยการกระทําเพียงไรพระพุทธ์รัสว่า ได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งขหบดีหรือข้าบดีบุตรได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วใคล่ครวญดูอยู่ในใจเกี่ยวกับธรรมสามประการคือทำเป็นที่ตั้งแห่งโลภะโทสะโมหะเมื่อเข้าใคร้ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะต่อแต่นั้นเขาจะพิจารณาใคร่ครวนภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ เมื่อเขาใครค่ควรดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะลำดับนั้นเขาต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสําหรับการที่จะตามรู้ซึ้นความจริงนะคะหมายถึงกระบวนการในการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์นั่นเองซึ่งมีอยู่ว่าหนึ่งปลูกฝังศรัทธาลงไปในภิกษุนั้นครั้นมีศรัทธาเกิดแล้วย่อมเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลง ย่อมสั่งซึ่งธรรมย่อมส่งไว้ซึ่งธรรมย่อมใคร่ครวนซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายอันตนส่งไว้แล้วทำทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิษเมื่อการทนต่อการเพ่งพินิษฐของธรรมมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะเกิดขึ้นแล้วย่อมมีอุตสาหะเมื่อมีอุตสาหะก็ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรม ผู้มีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งความจริงโดยจริงความหมายสูงสุดคือปรมัาสั จ, จด้วยนามากายย่อมแทงตลอดซึ่งทำนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยการตามรู้ซึ่งความจริงจะมีด้วยการกระทําเพียงเท่านี้บุคคลย่อมตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริง ด้วยการกระทําเพียงเท่านี้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอพุทธเจนะซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจเป็นกระบวนการวิธีการในการไปเรียนรู้ซึ่งความจริงนะ mm hmm. ซึ่งคิดว่าคุณครูก็คงอยากจะรู้ว่าเขาเรียนรู้กันอย่างไร mm hmm. ค่ะท่านอาจารย์คะในวันนี้เราก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วท mm hmm. ่านผู้ชมเรามานมรดการของพระคุณท่าอาจารย์คริสติสโตติปโล ด, ด้วยกันคะ่ะ ชื่อนายบวรชาติทิพมณีโกมุตนะครับก็ปัจจุบันทรรมประกอบอาชีพเป็นครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลที่ศรีรัติโยธินรัชโยธินนะครับแล้วก็มีที่วัดรัฐวัดรัด ว, ด ว, ด ว, ด ว, ดวัดพร้าว ด, ด้วยนะครับก็ศึกษาธรรมะมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ2ปีนะครับที่สวนโมกของท่านพุทธทาส น, นะครับแล้วก็มาเจออีก10เดือนให้หลังก็มาเจอพุทธวัจนะที่ บ้านอารีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พ่อจารย์ก็ไม่ได้ไปที่บ้านอารีแล้วแล้วก็ศึกษาจากพุทธวัจนะเนี่ยครับติดตามมาที่วัดนาป่าพง์ศึกษามาได้ประมาณ10เดือนแล้วก็รู้สึกว่านําไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้จริงนะครับแล้วก็พุทธวัจนะที่เป็นคําของพระศ า, าสดาเอง ล, ล้วนเลยเนี่ยนะครับก็มีอ น, นิสงส์มากต่อเราในการที่จะประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและก็ใจนะครับให้ถูกต้องตรงหลักตามธรรมชาติ นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการนั่งสมาธิแล้วก็การเดินจงกรมด้วยครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการสะสมสุตตะนะครับจากที่วัดนี้ก็มีการแสดงธรรมเกือบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็มีหลายช่องทางทั้งวั a นาพีพีคแล้วก็วัดนาป่าพงนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับ จากที่วัดนี้เราศึกษามาผมก็ศึกษามาประมาณ10เดือนนะครับก็สามารถจดจำพระสูตรได้หลากหลายพระสูตรมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนศาสธรรมมิตรด้วยกันนะครับได้อย่างเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องนะครับไม่ยากเกินไปนะครับที่จะเริ่มต้นศึกษาหรือแม้ไม่ยากเกินไปที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยณนะปัจจุบันนี้เลยนะครับเพราะพระาศาสดาสอนเองว่านะครับจากผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาใหม่ก็ควรจะสํารวมศีล น, นะครับ สัมรวมอินทรีย์นะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแล้วก็ไม่พูดพูดน้อยพูดแต่น้อยคํานะครับอยู่ปริกวิเวกบ้างในวัดที่นาวัดนาป่าพงนี้ก็มีที่ปริกวิเวกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทําความเห็นให้ถูกต้องให้ถูกต้องตรงนะครับโดยการศึกษาคําของภาษาสดาเองนี้นะครับก็จะเกิดอานิสงส์แก่ตัวเราเองทั้งด้านการสะสมสุตตานะครับ4ประการนะครับซึ่งสามารถสอบถามได้จากผู้อาจารย์นะครับหรือแม้แต่อานิสงส์จากการฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับชาวไทยทุกคนนะครับที่อ่านภาษาไทยได้หรือแม้แต่ฟังภาษาไทยได้รู้เรื่องก็ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นที่จะมาเรียนรู้จากคำพภสตร์สดาเองเพราะคำพภสตร์สดาที่ได้แปลออกมาแล้วนี้สามารถฟังและอ่านเข้าใจได้ง่ายนะครับมีพัสูดุง่ายๆหลายพัสูดุแล้วก็สามารถศึกษาและจดจําและตรงหลักตามความเป็นจริงในใจของเราและในชีวิตประจํําประจาวันนี้ด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ ท่านผู้ชมคะรายการพุทธวจนะ ใ, ในวันนี้เราได้ให้ความมั่นใจกับท่านที่จะนำเอาธรรมะในพระพุทธศาสนานะคะไปกล่องเกลาหรือว่าไปพัฒนาคน ตั้งแต่ในวัยเยาว์เรื่อยไปในทุกๆวัยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะว่าการเข้าถึงคำสอนของพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่สมควรทำและเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกล้ากลั ว, ล ว, ลวเพราะว่าท่านสามารถที่จะเข้าถึงด้วยกันได้ทั้งหมดแหละนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ท่านมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระศาสดานั้นจะนาพาชีวิตของเราให้ไปสู่ การพ้นจากความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์น้อยลงไปน้อยลงไปแล้วก็มีคุณค่ามีปาฏิหาริย์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็หนังสือที่เราได้แนะนําไปคือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเป็นหนังสือที่มีค่าซึ่งก็ได้เปิดกว้างไปว่าถ้าหากท่านมีความประสงค์อยากจะนําไปใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการอ่านให้นักเรียนฟังนั้น ทางวัดก็ยินดีที่จะมอบให้กับท่านที่ได้สแสดงเจตนาขอมาช่วยระบุมาด้วยกันละกันนะคะว่าจะเอาไปใช้ในโรงเรียนไหนอย่างไรตามที่อยู่ที่เราได้เขียนเอาไว้ให้ท่านหน้าจอนนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการพุทธวจนะสําหรับวันนี้ค่ะติดตามรับชมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธวจน์สวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการทวจะนะเนี่ยมันเป็นผู้มีความ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 เพื่อปราลกความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธสมุดมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน